สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารเราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่สี่สิบเอ็ดเรื่องจงระวังการล่วงประเวณีตอนที่สองบดฟังพระชนะของพระเจ้าพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่หกข้อที่ยี่สิบสาม เพราะคำสั่งนี้เป็นดวงประทีปคำสอนนี้เป็นความสว่างการอบรมบ่มนิสัยเป็นทางแห่งชีวิตโปรดฟังภาษาอังกฤษนะครับ For the commandment is a lamp and the law is light and reproofs of instruction are the way of life โปรดฟังอีกครั้ง For the commandment is a lamp and the law is light and rules of instruction are the way of life <c oughs> พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาคำอยู่สามคำซึ่งจะเป็นบ่อกเกิดของภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนที่เราจะไม่ทำบาปเรื่องการร่วงประเวณีนะครับคำแรกก็คือคำสั่งที่ว่า commandment นะครับคำที่สองก็คือ law ซึ่งแปลว่ากฎหมายและอันที่สามก็คือ reproof of instruction แปลว่าการอบรมบ่มนิสัยทั้งสามคำนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะมีชีวิตที่ปลอดจากเรื่องราวของการล่วงประเวณีและความบาปที่เกิดจากการล่วงประเวณีนั้นเพราะคำสั่งเป็นดวงประทีปคำสอนเป็นความสว่างการอบรมบ่มนิสัยเป็นทางชีวิต เราพิมดูคำแรกนะครับคำสั่ง commandment นะครับ commandment ในภาษาฮีบรูเรียกว่า mishra m i s r a คำสั่งคือดวงอาทีดวงอาทีนั้นมีไว้สำหรับในเวลากลางคืนครับเป็นเหมือนกับแสงตะเกียงหรือแสงเทียนนะครับเพื่อให้เราเห็นทางในเวลากลางคืนนะครับมันก็มืดมิดเราไม่เห็นทางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือว่าต้องเชื่อฟังคำสั่ง คำสั่งนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นไกด์ไลน์เป็นเหมือนกับดวงปะทีเป็นแสงในเวลากลางคืนความหมายที่ลึกกว่านั้นก็คือว่าพระบัญญัติของพระเจ้าหรือคอมมานด์เมนต์นะครับทาให้เกิดความสว่างในทีมืดเพื่อแยกแยะความชั่วออกจากความดีเพื่อทำให้เราเห็นทางชัดเจนในความมืดนะครับแต่เราอาจจะเห็นไม่ถึงที่สุดหรอกครับ แต่แต่ละก้าวแต่ละก้าวเมื่อเราเดินอยู่ในความมืดเราจะสามารถแยกแยะ ก, กับดักหลุมพรางหินสะดุดเราสามารถแยกแยะ ก, กับดักหลุมพรางหินสะดุดออกจากทางที่เรียบและปลอดภัยได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับการเดินทางอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งความมืดเราจําเป็นที่ต้องใช้คําสั่งนะครับก็หมายถึง พระบัญญัติของพระเจ้านั่นเองคําสั่งนี้จะเป็นดวงประทีในชีวิตของเราและคําสั่งนี้จะสอดคล้องกับน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องครับคําสั่งทําให้เรารู้ว่าเราควรทําอะไรและห้ามไม่เราทําอะไรครับชัดเจนครับอะไรที่เป็นคําสั่งพระคัมภีร์เขียนชัดเจนเริ่มต้นด้วยคําว่าจงเะยีย่า จงก็คือบอกให้เรารู้ว่าเราต้องทำนะครับและอย่านั่นหมายความว่าเป็นการห้ามไม่เราทำชัดเจนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราจะหลีกหนีจากความบาปร่วมการร่วงประเวณีนั้นเราจะต้องฟังคำสั่งฟังคำสั่งความจริงแล้วคำสั่งชัดเจนเราจะต้องไม่บิดเบือนคำสั่งหรือทำให้คำสั่งนั้นบิดเบี้ยวไป คำที่สองครับที่เราจะพิจารณาในวันนี้ก็คือว่าคำว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า law ภาษาฮิบรูใช้คำว่า torah torah t o r a h torah. ความหมายของคำว่ากฎเกณฑ์หรือกฎหมายนะครับก็คือคำสอนนั่นเองในที่นี้ถ้าจะแปลาตามตัวอักษรคำว่า torah หมายความว่ากฎหมายของโมเสส นั่นหมายความว่าคําแนะนํานะครับคําแนะนําซึ่งวางไว้เป็นกฎเกณฑ์นะครับเป็นกฎเกณฑ์เป็นคําสอนเป็นหลักคําสอนในสมัยนี้เราเรียกว่าหลักคอเชื่อ <c oughs> พี่น้องครับพระกัมพีเปรียบเทียบบทบัญญัติของโมเสสหรือกฎหมายของโมเสสว่าเดลโลนะครับหรือโทอร่าว่าเป็นแสงสว่างแสงสว่างอันนี้ไม่ใช่เป็นแสงสว่างแบบ แสงเทียนหรือโคมนะครับในเวลากลางคืนแต่มีความหมายโดยในว่าเป็นความสว่างเหมือนกับความสว่างในเวลากลางวันซึ่งขับไล่ความมืดออกไปทําให้เกิดความประจักษ์ชัดเจนนะครับเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนชัดแจ้งในทางเดือนิสิติชุดของเราเพื่อนะครับคําสั่งสอนหรือรอนะครับเป็นเหมือนกับไลท์ก็คือแสงสว่าง เป็นแสงสว่างที่เราทั้งหลายจะเห็นชัดเจนจากตรงนี้นี่เองนะครับเราจะเห็นว่าความเหมือนกันของคําสองคํานี้ก็คือว่าคาว่า c o m m a n d m นก็คือคําสั่งหรือบัญญัติกับคําว่ากฎหมาย โ, โทระทั้งสองทาหน้าที่เหมือนกันในระดับที่ว่าจุดประกายจิตสำนึกผิดชอบของเรา ทำให้เราสามารถเดินอยู่ในวิถีแห่งชีวิตของเราได้เราจำเป็นะต้องการทั้งสองอย่างนี้ก็คือคำสั่งและคำสอนพี่น้องครับในชุดีบทที่สิบเก้าข้อที่แปดได้กล่าวว่าพระบัญชาของพระเจ้ากระจ่างชัดให้ความสว่างแก่ดวงตาพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเรามี commandment a ล d เราเรามีคำสั่งและคำสอน จะทำให้ตาสว่างครับเห็นชัดว่าอะไรอยู่เบื้องหน้าเราและเห็นชัดว่าเราจะไปที่ไหนพระคำอีกตอนหนึ่งจูดดีบิตที่ 9, 115, นหนึ่งร้อยสิบเก้าข้อที่หนึ่งร้อยห้าได้กล่าวว่าพระชนะของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าของข้าพเจ้าและเป็นแสงสว่างตามทางเดินของข้าพเจ้าพี่น้องครับนั่นหมายความว่าพระชนะนั่นนะครับ ก็ เ, เป็นแหล่งรวมของคําสั่งและคําสอนครับพี่น้องเพราะเจ้านั้นเป็นแหล่งรวมของ commandment and law เป็นแหล่งรวมของทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์ปราศจากบาปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งบาปแห่งการร่วงประเวณีพราะเนะของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าเป็นแสงสว่างตามทางเดินดังนั้นโดยสรุปนะครับในวันนี้เราจะต้อง สนใจคำสั่งและคำสอนคำสั่ง Command ์เมนกฎหมายหอการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้านั้นอยู่ในโพชณะของพระเจ้าการเปิดเผยสำแดงทั้งหมดของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราก็จะชัดเจนนะครับซึ่งเราเองนั้นจะต้องพร้อมจะรับและเพื่อจะนําไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตของเรานําไปสู่ภาคปฏิบัติของเราให้ได้หน้าที่ของพระเจ้า พระองค์ได้ทำมีบร้อยแล้วก็คือพระองค์ทรงเปิดเผยสำแดงคำสั่งและคำสอน commandment and law หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องรับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงครับนั่นก็คือคำที่สามคือ reproof of instruction ก็คือการอบรมบ่มนิสัยการอบรมบ่มนิสัยนั้นเป็นกระบวนการที่เราจะต้องทำตลอดชีวิตพรมีจริงใช้คำว่าเป็นทางแห่งชีวิต คำว่าบ่มนิสัยนะครับก็คือเป็นการเพาะบ่มเป็นการฝึกฝนนะครับก็คือเรื่องของการมีวินัยนั่นเองดังนั้นท่านพี่จิมบอกว่าวินัยคือชีวิตครับพี่น้องอย่าลืมวินัยคือชีวิตนั่นหมายความว่าการการมีวินัยคือการฝึกฝนการมีวินัยหมายถึงการพัฒนาเพาะบ่มเพาะบ่มให้เข้าที่เมื่อเมื่ถึงเวลาแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราอีกคำหนึ่งครับก็คือว่าอบรม เพ้นคำว่า Reproof of i n s t r u c t i o n นั้นภาษาไทยแปลดีมากครับแปลว่าอบรมบ่มนิสัยบ่มนิสัยแปลว่าการมีวินัยฝึกฝนอบรมนะครับหมายความว่าสอนด้วยความรักสอนด้วยความรักให้คนคนนั้นหรือเด็กคนนั้นมีชีวิตเหมาะสมสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าที่สอนเราพระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่าเราควรจะอยู่ห่างจากสิ่งไหน เราควรจะอยู่ใกล้จากสิ่งไหนเราควรจะรังเกียจสิ่งไหนเราควรจะชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนเราควรจะทำสิ่งไหนเราควรไม่ควรทำสิ่งใดพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือการอบรมบ่มนิสัยซึ่งเป็นกระบวนการตลอดชีวิตของคริสเตียนทําให้ชีวิตของเรานั้นเดินไปในวิถีที่เที่ยงตรงได้และทําให้ชีวิตของเรานั้นมีเกียรติไปถึงเป้าหมายเป็นชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนทั่วไป นั่นคือเป็นการแสดงความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านสอดคล้องกับคําสอนของพระเยซูนะครับว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะชีวิตที่มีเกียรติชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชีวิตที่เดินไปในทางที่เที่ยงตรงมีวิถีที่ดีและมีศักดิ์ศรีนะครับทําให้เราสามารถที่จะทําตามพระมหาบัญญัติของพระเยซูเจ้าได้ว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะาชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์พี่น้องครับโดยสรุปแล้วนะครับ การที่เราจะต้องรับคําสั่งและคําสอนการที่เราจะอบรมบ่มนิสัยเพราะบ่มต่างๆนั้นทําให้ชีวิตของเรานั้นจะพ้นจากเครื่องอื้อเฉาเรื่องการล่วงประเวณีและการซึ่งไร้สาระต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และคําสั่งคําสอนและการอบรมบ่มนิสัยจะปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายการใส่ร้ายป้ายสีการเข้าใจผิดทุกอย่างขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรับคําสั่งคําสอน และรับการอบรมบ่งนิสัยอาเมน